เจ้าเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรั้นเดือนหปีพุทธศักราชส3 3พเป็นปีที่13บในรัชการที่หนึ่งกรุงเทพมหานครพระชนมายุการแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรยางขึ้นได้28พรรษาอายุสมานเนโตก็ได้18ปปีบริบูรณ์ในเดือนห้านั้น พระหัวราธิปดีพระวิเชียนและเสมียนตราดวงได้พิจารณาเห็นกิริยาท่าทางและจัญญาอาการสติปัญญาอย่างเยี่ยมแปลกกว่าที่เคยได้เห็นมาแต่ก่อนทั้งมีรัตประคตน้ำขนุนคาดด้วยจะทักถามและพยากรเองก็ใช่เหตุจึงปรึกษาเห็นตกลงพร้อมกันว่าควรจะนำเข้าถวายตัวแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมมาหลวงอิสราสุนทรให้ได้ทรงทอยพระเนตร หนึ่งพระองค์ท่านก็ทรงโปรดพระและเนนที่ร่ำเรียนรู้ในธรรมทั้งสองคือคันถะทุระและวิปัสนาทุระบางทีพ่อเนนมีวาสนาดีก็อาจจะเป็นพระหลวงเนนหลวงก็ได้คุณนางทั้งสามปรึกษาตกลงหินพร้อมกันแล้วจึงบอกสามเนรโตให้รู้ตัวว่าจะนำข้าวเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสราสุนทรในวันเดือนห้าขึ้นห้าค่ำนี้ สา ม, มเณรตไม่รู้ตัวว่าจะต้องเข้าเฝ้าจึงเตรียมตัวสุผ้าย้อมผ้าและสุย้อมรัดพระคต์นำขนุนของโยมผู้หญิงให้มานั้นซึ่งโยมผู้หญิงคือโยมแม่ของท่านประสิบสั่งสอนเป็นความลับกำกับมาด้วยฟอกย้อมรัดพระคต์สายนั้นจนไหมเอี่ยมถึงวันกำหนดพระโหราทิบปดีพระวิเชียนและเสเมียนตราด้วง ได้ออกมาที่วัดบางลำพูเรียนกับท่านอาจารย์แก้วว่าจะพาสามเณรโตเข้าเฝ้าถวายตัวแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสราสุนทรพระอาจารย์แก้วก็อนุมัติตามใจแล้วเรียกสามเณรโตมากล่าวสอนทางขนบธรรมเนียมเดินนั่งพูดจา ก, กับเจ้าใหญ่นายโตใช้ถ้อยคำอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อจะทรงถามอะไรมาให้มีสติระวังระวัย พูดมากเป็นขี้เมาก็ใช้ไม่ได้พูดน้อยจนต้องสักต่อก็ใช้ไม่ได้ไม่พูดก็ใช้ไม่ได้พูดเข้าตัวก็ใช้ไม่ได้จงระวังตั้งสติสัมปชัญญะไว้ในถ้อยคำของตนเมื่อพูดอย่าจ้องหน้าตรงพพักเมื่อพูดอย่าเหมือนหน้าไปที่อื่นตั้งอกตั้งใจเพชทูลให้เหมาะถ้อยเหมาะคำให้ชัดถ้อยชัดคำอย่าหัวเราะอย่าตกใจอย่ากลัว อย่ากล้าจงทำหน้าให้ดีอย่ามีความสะทกสะท้านเมื่อสั่งเสร็จก็ให้ไปห่มผ้าครองจีวรที่เรียบร้อยไปกับคุณพระสรัมเนนโตน้อมคำนับรับโอวาทแล้วไปเข้าห้องครองผ้าคาดรัดประคดเสร็จจุดทูบเทียนรัตนาพระบริกรรมภาวนาและก็ออกมาหาพระโหราธิปดีพระวิเชียนเสเมียนตราดวงท่านทั้งสามจึง น, นมัสการลาพระอาจารย์แก้ว แลพาสามเนนโตลงเรือแหวสีแจวคนแจวล่องลงมาจอดที่ท่าตำหนักแพหน้าพระราชวังเดิมและนำพาเนนขึ้นไปบนท้องพระโรงหน้าพระราชวังเดิมนละฝั่งทนบุรีใต้วัดระคังนั้นฝ่ายพนักงานหน้าท้องพระโรงนำความขึ้นกราบทูลว่าพระโหราธิบดีพาสามเนนมาเฝ้าจึงเสด็จออกท้องพระโรง ทรงปรสาสัยทักทามพระโหราธิปดีพระวิเชียนและสมีเนตราด้วงแล้วได้ทรงสดับคำพระโหราธิปดีราบทูลเสนอคุณสมบัติของสมเอ น, นขึ้นก่อนเพื่อให้ทรงทราบจึงทอดพระเนตรสมเ น, นโตทรงเห็นสมเอ น, นโตเปล่งปั่งรังสีรัศมีกายออกงามมีราศีเอก ด, ด้วยกำลังอำนาจศิลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณอักอบรมสมกับผากาสาวพั และมีรัตประคดหนางขนุนอย่างของขุนนางนายตำรวจใหญ่ขาดเป็นบริขารมาด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพระองค์นั้นทรงพร ะ, กะเกษมสันโสมนัสยิ่งนักสเสด็จตรงเข้าจับมือสามเณรโตและจุงมาให้นั่งพระเก้าอี้เคียงพระองค์และทรงถามว่าอายุเท่าไหร่ทูลว่าขอถวายพระพรอายุได้สิบแปดเต็มในเดือนนี้ ทรงถามว่าเกิดปีอะไรขอถวายพระพรเกิดปีวอกอัตศกบ้านเกิดอยู่ที่ไหนทูลว่าบ้านเดิมอยู่ใต้เมืองกำแพงเพชรและย้ายลงมาตั้งเมืองอยู่เหนือเมืองพิจิตรรับสั่งถามว่ายมผู้ชายคือบิดาชื่ออะไรทูลว่าไม่รู้จักยมผู้หญิงชื่ออะไร ทูลว่าชื่อแมงุดทำไมโยมผู้หญิงไม่บอกตัวยอมผู้ชายให้เจ้ากูรู้จักบ้างหรือทูลว่าโยมผู้หญิงเป็นแต่กระสิบบอกว่าเจ้าของรับประคดนี้เป็นเจ้าคุนแม่ทัพขอถวายพระพรครั้นได้ทรงฟังตระหนักพระหารุไทยแล้วทรงพระพรามโอดเอนดูสามเณรยิ่งขึ้นจึงทรงรับสั่งทึกทักว่านี่ คุณโหราเนนองค์นี้ฟ้าจะทึกทักเอาเป็นพระโหรานำช้างเผือกเข้ามาถวายจงเป็นเนนของฟ้าต่อไปฟ้าจะเป็นผู้อุปถัมบำรุงเองแต่พระโหราต้องเป็นผู้ช่วยเลี้ยงช่วยสอนแทนฟ้าทั้งพระวิเชียนและเสียนตราดวงช่วยฟ้าบำรุงเนนเนนก็อย่าเสกเลยไม่ต้องอนาทร อ, อะไรฟ้าขอบใจพระโหรามากทีเดียวแต่พระโหราอย่าทอดทุระทิ้งเนร ช่วยเลี้ยงช่วยสอนต่างหูต่างตาช่วยดูแลให้ดีด้วยและเห็นจะต้องย้ายเนนให้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชมีจะได้ใกล้ๆ ก, กับฟ้าให้อยู่วัดนิพพานารามซึ่งต่อมาคือวัดมหาธาตุอยุวราชรังสฤิดิ์ในปัจจุบันรับสั่งแล้วจึงทรงพระอักษรเป็นลายพระราชหัตทะเลขามอบสามเนียนโตแก่สมเด็จพระสังฆราชมี และส่งลายพระราชัทะเลขานั้นมอบพระโหราทิปดีให้นำไปถวายพระโหราทิปดีน้อมเสียงคํานับรับมาแล้วกราบถวายบังคมลาทั้งพราวิเชียนและเสมีทตราด้วงสามนเณรโตก็ถวายพระพรลาแล้วก็เสด็จขึ้นพานักวัดนิพานาราม หรือวัดมหาธาตุในปัจจุบันคุณนางทั้งสามก็พาสามเนรลงเรือเจ้าข้ามฝากมาขึ้นท่าวัดมหานิพพานารามหรือวัดมหาธาตุในปัจจุบันตามรับคําสั่งผานเนรเดินขึ้นบนตําหนักสมเด็จพระสังฆราชมีถวายนมมสการพระโหราธิบดีก็ทูลถวายลายพระราชหัตถเลขาแก่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคลี่ลายพระหัตต์ออกอ่านดูรู้ความในพระกระแสรับสั่งนั้นแลจึงรับสั่งให้พระครูใบดีกาไปพาพระอาจารย์แก้ววัดบางลำพูบนซึ่งเป็นเจ้าของสามเนนเดิมนั้นขึ้นมาเฝ้าเมื่อพระอาจารย์แก้วมาถึงแล้วจึงรับสั่งให้อ่านพระราชหัตถเลขาพระอาจารย์แก้วอ่านแล้วทราบว่าพระยุพราชนิยมก็มีความชื่นชม อนุญาตถวายเนนให้เป็นเนนอยู่วัดนิพพานารามต่อไปได้รับนิสัยแต่สมเด็จพระสังฆราชด้วยแต่วันนั้นมาสมเนรโตนั้นทำวัดปฏิบัติแก่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ามีขาดตกบกพร่องและเข้าเรียนคำพีพระปริยัติธรรมจนทราบลัทธิวิธีของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจนชำนานดีแล้วเรียนกับพระอาจารย์เสมวัดนิพพานารามอีกอาจารย์หนึ่งด้วย เข้าพิธีอุปสมบทปีพุทธศักราช2340เป็นปีที่16ในรัชกาลที่หนึ่งสามเณรโตมีอายุครบ21ปีบริบูรณ์ควรแก่การอุปสมบทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสราสุนทรในขณะนั้นหรือรัชกาลที่สองในเวลาต่อมาจึงมีรับสั่งให้จัดงานบวชที่วัดตะไคร้พิษณุโลกโดยมีเจ้าเมืองพิษณุโลกจัดการเป็นหลัก และ เ, เมืองกำแพงเพชรเมืองพิจิตเมืองพิชัยเมืองไชนาธบุรีช่วยดูแลการงานวันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนหกเป็นวันทําขวัญวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกเป็นวันบวชโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระอุปชาเมื่อจัดพิธีเสร็จรุ่งขึ้นจึงกลับมาจําวัดอยู่ที่วัดนิพพานารามหรือวัดมหาธาตุในปัจจุบันหมายเหตุผู้อ่าน ทั้งงานโกนผมและเรื่องบวชเป็นพระภิกษุมีรายละเอียดในด้านพิธียิบย่อยเยอะและยาวมากซึ่งเกี่ยวกับระเบียบพิธีการเป็นหลักและท่านก็บรรยายแต่ละขั้นตอนละเอียดมากๆที่อาจทําให้คนทั่วไปฟังแล้วเบือ่อเพราะเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ในการทําเสียงอ่านต้องการเน้นเนื้อหาสาระที่สําคัญจึงขอข้ามส่วนนี้ไปท่านผู้สนใจสามารถอ่านได้จากต้นฉบับหนังสือโดยตรงอีกทีนะครับ ในแรมหกข้าศกนั้นสมเด็จพระวรนรัตพระอาจารย์แก้วได้พาพระภิกษุโตเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงมอบให้เป็นหน้าที่ของสมเด็จพระวรนรัตเป็นอาจารย์สอนและบอกคำพีพระปริยติธรรมต่อไปด้วยพระดํารัสว่าการสอนการบอกจงเป็นภาระของสมเด็จโดยข้าพเจ้าชรามากแล้วลมก็กล้าอาหารก็น้อยคือฉันได้น้อย จาวัดไม่ใครหลับบอกหนังสือก็ออกจะพลาดพลาดผิดรับสั่งให้พระครูฐานาจัดกุติให้ภิกษุโตอาศัยต่อไปในคณะตำหนักวัดนิพพานารามแต่วันนั้นมาเริ่มมีชื่อเสียง บรรดาศัป บ, บุรุษศรีกาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลื่อมใสคุ้นเคยกับรพระภิกษุโตแต่ครั้งเป็นสามเณรรันทราบว่าอุปสมบทแล้วตางก็พายกันมาเยี่ยมเยือนปาวารณาตัวความอัตคัดขัดข้องไม่มีแก่ภิกษุโตเลยรันเข้าพรรษาปีนั้นพระโตได้ข้ามไปเรียนคำภีกับสมเด็จพระวรรณรัตเสมอเสมอจนมีความรู้แตกชานลึกซึ้งในธรรมวินัยไตรปิฎก ทั้งท่านก็ปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยมีความเคารพยั่งเกรงต่อผู้ใหญ่ปฏิบัตินอมน้อมถ่อมตนจึงเป็นเหตุให้ประชาชนผู้คุ้นเคยไปมาหาสู่อารัธนาให้แสดงธรรมตลอดไตรมาสบ้างพิเศษบ้างเทศมหาชาติบ้างสดมนเย็นชันเช้าในงานมงคลต่างๆเกิดอดิเรกลาบเสมอเสมอมีได้ขาดทั้งพระหราธิบดีสมยนตราดวงพระวิเชียรขุนพรมประลัดนุ หลวยายโงงเสมียนบุญเจ็ดท่านนี้ได้เป็นอุปถากประจำที่ไว้วางใจ